สิกขาบทที่สองเรื่องพระชับพคพี577สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่หน้าพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิสุชพพธิฉัีครองอุตราสงย้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างพระบัญญัติสองเพึงททำความสำเนียกว่าเราจะครองอุตราสงให้เรียบร้อยเรื่องพระชับพพีจบสิกขาบทวิพัง ภิกษุพึงครองอุตราสง์ให้เรียบร้อยคือทำชายจีวรทั้งสองให้เสมอกันภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อครองอุตราสง์ย้อยข้างหน้าบ้างย้อยข้างหลังบ้างต้องอาบัตทุกกฎอนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัติคือ1นภิกษุไม่จงใจ2อภิกษุไม่มีสติ3าภิกษุผู้ไม่รู้4ีภิกษุผู้เป็นไข้5ภิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง6กภิกษุวิกลจริต7จภิกษุต้นบัญญัติสิกขาบทที่2จบ